ยีบสาความจงใจเป็นปัจจัยทำให้เกิดการกระทำกรรมวงเล็บเปิดยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองพห้าอห้าสิเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบหวงเล็บปิดความจงใจคือตัวโมโนสัญญาเจตนา มโนสัญญาเจตนานี่เป็นอาหารหมายถึงเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมทันทีที่เกิดการจงใจคือเจตนาจิตก็เกิดการทำกรรมเกิดทำงานทันทีที่จิตทำงานขึ้นมานะอัตตาตัวตนก็เกิดขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้สภาวะทั้งหลายโดยไม่มีความจงใจเข้าไปเจือเลยเห็นความจริงของสภาวะทั้งหลายมีแต่เกิดกับดับไม่เกี่ยวกับเราใจจะค่อยๆ ค, ค, คลายออกจากโลก